จริงสมเด็จท่านผลิตมาผลิตทำกาเวลาพอดีกาเวลาพอดีเยี่ยมฟังอะไรลูกออทางนี้จะลอยฟังถึงการป่วย น, นคนป่วยก็คือคนไม่ดีถ้าคนดีคนไม่ป่วยเห็ไ ห, ไหม ความจริงการป่วยขะนี้นะมันเริ่มต้นมาตั้งแต่เดือนธันวาใช่ไหมไม่รู้เปล่าไม่รู้ว่ะความจริงมันเริ่มต้นมาตั้งแต่เดือนธันวาตั้งแต่เดือนธันวาเห็นว่าขาเนี่ยเริ่มใช้ไม่ได้แล้วมาปีนี้ทุกคนจะมีฟังถ้าเราจําได้จะเห็นว่าข้อบ่นว่ามันเลนือยกว่าทุกปีใช่ไหมงานน้อยกว่ากันเลยกว่าทุกปี แต่ว่าลักษณะแบบนี้มันเคยเป็นมาตลอดเขาก่อนก็นเป็นกันจะทงวาระที่มจะถูกตัดมันก็มีสภาพแบบนี้ถูกตัดไงต่อมาที่นี่เราก็ตอนตอนนั้นด่นแข้ขงขาไม่เรล่นใช้ไม่ได้ตลอดะเราก็ไมาด่าพระเพียรอยู่ไว้เมื่อกี้นี้ไปเมืตอนเช้าไปพิชดูข้าวผู้พิงมาเรยข้าวผู้พิงมาวันที่ยี่สิบห้ามก ร, ราคม ี่คืนนั่นต้องหัดนั่งพับเพียรอยู่สอชั่วโมงขางอไม่ไหวเนื้อกลุงแต่ตอนนี้นพบว่าใจหัวไอ้ <c oughs> พวท่านนี่ยบอกว่าล้วก็บอกว่าไม่ไหวอาตมาแย่แล้วขามันไม่ดีนั่งพับเพียรคุมไม่ไว้มานีกันหัดพับเพียรสชั่วโมงเลยบอกผมก็ต้องกระท้วงเหมืนกันขาผมไม่ดีเหมือนกันเราท่าหาเราประท้วงท่านใช่เลยประท้วงเรา วันนั้นคนขาไม่ดีนะขาไมาด่ดีคุยกันตอนเย็นดีจะกดเข้าในห้องพิเศษตั้งแต่ช้าเก้าโมงนี่ไปแล้วก็ไปดูเวลาสิบหกนาฬิกาพบเป็นสมุองค์เนีวันนั้นพวกท่านพราดิวังเขาตั้งเวลาไว้ปรากฏพบเป็นแชัมม่วโมงส6บหกนาฬิกาเข้าไปในห้องพิเศษรู้สึกว่าท่านจัดที่ไปสองที่มีเก้าอี้ตัวตมีข้าวาบันะ เราจะนั่งขรางกัไดนั่งบุญกันไปกติท่านปูพระปูพรมแล้วก็ปูว่าขาวแต่ส่วนที่พระท่านมีแต่พรมไม่มีมะขาวรงเล็กแต่มันเริ่มไม่ดีไม่ได้ตอนนอนแล้วก็ไม่ดีเรื่อยๆมาเป็นําดับใช่แล้วปลอยดีไม่ดีก็ไม่แปลกเขามาดีหรือไม่ดีดท่านก็ไม่สําคัญสําคัญว่าท่ร่างกายมันทำอะไรไหวที่ตอนไปอินเดียท่านพักมา นะไปอินเดียเดี๋พับฐานนะนะไม่ไปเที่ยวในะบุญตัวแล้วไปเที่ยวเว้ยไปเจอเจอโรคอินเดียกระาัเลยนิยมงเมื่อตอนนี้ที่มีความสำคัญต้นนี้ก็เอมันมีสีแดงปรากฏขึ้นแต่ต้นดึงกัญญาช่างไอ้สีแดงเนี่ยเขาบอกว่าท่านจะเด็กถ้าเห็นสีแดงนะจะป่วยไม่ใช่สีแดงทําให้ป่วย ตั้งบนก็ได้ตั้งบนก็ได้คุณมาตั้งบนก็้แต่สีแดงนี่ไม่ไ ม, ไม่ทําให้ป่วยนะแต่ว่าสีแดงบอกสั ญ, ญลักษณ์บอกว่าจะป่วยชจ้าอะไรตอนนั้นเห็นเป็นคนนุ่งกางเกงดาใส่เสื้อสีแดงแตสีแดงมันจานสีแดงไม่มากนะตอนนั้นที่นายสีมาสั่งให้ฉันยาถ่ายสามเท่าพอไปสี ฉกินเท่าเดียวหนึงขี้ห้าครั้งแล้วนะแต่สามเท่าในตอสิบห้าบอกสามเท่ามันขี้แค่ ค, ครั้งเปล่าเนี่ยท้าทำมเออขี้ดูภาษากระเพาะภาษาลำไส้ภาษ า, ร า, ากระเพาะภาษาลำไส้เนี่ยไม่ทำงานเลยมันนิ่งเฉยๆกินยาไปสามเท่าขี้มา น, นิดเดียวข้ามเสร็จเลยนช่ไหม แกสั่งแบบนั้น 3, สามมันซ้อน 3, สามมันซ้อนที่ไม่ถ่ายมาหมดท้อนี้หมอถ้าเชื่อหมอตายถ้าบัรดาหมอไม่เห็นนะหมอทั้งหลายไม่เห็นอนะียกี่นี่กี่เบียดเช่ไ น, นะนี่มันหมอเทวดาแล้วไม่คราพอตอนนั้นผ่านไปก็มีสีแดงปรากฏเป็นดวงใหญ่ต่ถึงว่าสีนั้นจางหายเร็ว ตั้งครับตั้งหายชียแดงสังเกตถ้แดงจัดป่วยมากถ้แดงไม่ไม่จัดป่วยน้อยท่านใช้ดูชีแดงตั้งสีแดงมันตั้งอยู่นานป่วยนานถ้าชีแดงเกิดแล้วรับหายไปไม่ป่วยเร็วไปฉับกันแย่งเท่านี้มาช่วยส่องเกิดอีกแม่เสีสั่งฉีดยายาพิษนี่มาใหม่ ไอจีดวันเป็นสองวันทวันที่สี่ีดจีดเรื่อยไปยังไ ป, ไปจะ ต, ะตั้งตัวได้พอตั้งตัวได้ยังสั่งจีดตลอดชีวิตเดือนละสองครั้งาหมอใหญ่อี่ตอนนี้ที่ท่านยา ต, อ, ตอนต้นก่อนนี่ท่ายาท่านบอกว่าแม่ศรีเขาเป็นหมอแล้วลูกนะสาวาเป็นหมอท่าแต่มาอะไร ห, หมอต้ีเดือดสว ด, ดาเเนะี่ยบอกไม่ใช่เ้าเกิดทุกชาติน่งเาเป็นหมอ ไปมาตอนหลังที่ไอ้สั่งฉีดยาในสมเด็จยันโเอเก็ขึ้นไปเฉาที่นี่พ่านบอกคุณแม่ศรีก็เป็นหมอท่านต้องฟังเขานะไอ้ยางทีไอ้ถามว่าเป็นหมออะไรท่านก็บอกว่าเป็นหมอทุกชาติที่เคยอืมไอ้เปียกก็เป็นหมอเหมือนกันหมอจะหมอจา๋าอะไรอ่อนหวานหน่อยใช่ไหมหเรี้ยเป็นคนเรียบร้อยจะใช้ใช้สาวอ่อนหวานนะ่ะ เม่นีด้เรื่อต้องไปดหมอจ๋านะมามาตอนข้างหลังนี่ไม่เกิดก่อนหน้าไ ป, ประเทียวสองวันคิดว่าจะข้ามลงเที่ยวเกิดแดงชาดเป็นรวยประแดงมันแดงจับเต็มที่แล้วหายแล้วนี่พอไ ป, ประเทียนี้มีถ้ามีคนใกล่จะใสังเกต็น ว่าจะไม่ยอมดื่มน้ำอ้น้ำส้มน้ำลายที่ให้หม่ท่านชาดืกมน้ำมาอาเจียนก็ต้องลดหมดเพราะจิตจิตปับป๊บแปลงแสดงการออกต้องดีบางทันทีแต่ว่าถ้านเราช่วยเต็มที่ที่หมอบกว่าเห็นผิวดีเนะะสําเด็จสันคุมแม่งคลุมต่อเวลาไม่ไงั้นทำงานไม่ได้แล้วไม่กลับมาจะเล็งนจ อ, อนหนอลายระหว่างไปไปบันหม้ไปนันก็ฉันกับไปกับไป ท่านไปพามาใช้กแไปก็ไปก็กลับมาวาันบคืนมันแค่ฉันยาระบายนิึงบางเยระบายนิดหึงเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ถึงเออช่วยหาห้าชั้นเะรถ้าใช้นขนาดนั้นปกติมันจะถ่ายไม่เกินสองั้นอย่างมากนี่างครั้งเนี่ย้าวแค่พอสบายสบายแต่เดี๋ยวเดี๋ยวล่อแค่สิบครัง้งมิดแล้วแล้แต่ไอ้สิบถ้าไม่ถ่ายยังหนักหมอมั มันมีแรงอยู่ได้นแต่ะมันต้องพับปัจจุบันว่าพับตตอนเช้าคนเห็นนะอี่อตอนนั้นมันลกโผล่แบบนี้นะมัใส่ใจแบบนี้มันเดินไม่ไหวใช่ไยมก็เดินไปเดินมางงก็ไม่มีอะไรก็ไมีนีแต่้าว่าเวลาป่วยต่อเวลาเนี่ยฉั็จะทนไม่โยกไยปเลยโยกใก ล, ล้ตละดนะ กันอยู่รอยอยู่ข้างหน้าตลเวลาแค่ทุกๆวันท่านอยู่ท่านนอนสบายๆนอนขี้ๆอยากจะนอนก็นอนทนนอนก็ขี้ขีแล้วก็นอนๆอนไขี้าตามเรื่องมัตอนเช้าก็ยังมีแรงเดินมันได้เพราะให้ข้าวก็แตเข้าวเป็นเหล็กดดาเจียนเลยเขาให้ต้มข้าต้มตอนเช้าหมอก็เป็นยานจะกินด้วนข้าต้มนั่นแหละสดเอาน้ําพาต้มฉันในสองช่อนมาทำชาเจียนลุกต่อลุกที จะ น, นึกอะไรนี่เอาคุณแน่นะ่าจ<ฮ>าเอาแน่จริงเลยล้กลูกกไปในห้องอะไรก็ไปโน่นไป น, ป น, นี่ตามตามเดียวะทำเรื่อร า, าไปเดียวอ้มันจะถ่ายพอมันจะถ่ายเข้ า, ขาห้องสวมให้นั่งดีโถส่งตาเมื่อดฝ้าเป็นทีน่มันฝ้าไปหมดเลยพอฝ้าแล้วก็เลยเรื่มไม่เห็นใช่ ไอตาสั้นมันฟันฟันชาปันมั น, น เ, เรื่ไว้าับจเิงเริ่มไม่เห็นเริ่ไม่เห็นก็ลุกจําได้ว่าลุกมาลุกมัาจะออกจะออกประตูไม่เห็นประตูอ ง, งเต็นทีไม่ไหอะไรเต็มกายโดนงงนอนถอดแว่นจําได้ว่าถอดแว่นจิใจไม่ดีนะใจเนี่ยปกติก็เห็ไปเลยพอหัวถึงพื้นก็โผล่ทุกเป็นนอนไม่พัน เดินไปไาดับไปไปนะครับแช่มาพอพ อ, อ, อลงภูเไปึงนิฟานล้วไปนั่งสบายโกพรอเทนิฟานยังไงมีแต่มีพระมากมีพร ะ, ะอาหมาที่หนของอรหันต์เท่านั้นไงไม่ใช่อรหนต์เานั้น้เตวดายกับลมขึ้นไปเต็มนั่งคุยกับสบยๆๆ น, ยกนสบายหืแต่้แล้ว ไอ้แป๊มันเด็ไปหน่วะไม่เห็นไอ้แป๊นี่ยนั่งคุยอยู่สักประเดี๋ยวนึงสมเด็จจะบอกคุณลงประท่านบอกก็บอกท่านบอนลงประเทศท่านก็มาด้วยท่านมาด้วยแล้วก็มาถ้าท่านไม่มาเราก็ไม่มาพอมาถึงปับตีเสียงลุงฐาเรียกสดดีที่จุดท่านน่ะถ้าไม่ลงหน้าก็วิ่งไปพลั่งโย ถ้าไปโรงพยา้ากหมอเหมอชวนกันตายหมดเลยห่วงหมอเดียวหมอเชิญคุณนายชาโด้จะไปชนใครจะใครกัเนียเขาจะแก้ยานทีอืมดีแต่ว่าพูดทั้งด้านจิตใจเนะไอ้จิตใจเนี่ยพอไม่ไอ้เรื่องกายมันรู้สึกตัวไหมเรียงตายรมันอยู่ที่ไหนวะ มองดูว่าพมสีเขียวอยาคิดว่าเอ็นเอ็กซ์เกินอะไรอยู่ใน่วงเด่นนะฮะถ้าอยู่ในโซ่นั่นมนหมายยไงเห็นพมสีเขียวมองเด่นเดีว๋วไปทีเห็นเมคทะเลียบอกนอนในห้องหน้าโซ่ไหนคนยิงชั้นถ้าเราตายหน้าสซ่เนยมันมันสะดวกมากเลยไปชั้นหน้าเราขี้สะดวกเลยจำไม่นะีเนี่ยไอ้เงาะ ก็ไปนอนว่าเสร็จล้วลุกออกมาแต่ลูกออกมาไอทีที่มันนอนตอนนั้นมันก็ไม่มีอะไรพอดีมันก็เครียดจัดแต่ว่าการป่ดท่อนี้ยมันก็แปลกอย่นิดนึงเจ้าแปลจใจอาการก่อนๆถ้าลักษณะที่เป็นแบบนี้นะมันต้องอืดตัวเสียดหนะักในอาการนี้เป็นค่นี้การอืดการเสียดตามที่เราคิดมันจะเป็นไม่เป็นรนะยะตนน้นมันไม่เป็นเลยหมอ แต่ตอนกลางคืนนะกลางคืนตอนเช้าก็มามีเท่ออืออจนนี่ตัวที่เราพูดกันแหละแต่อาการก็ไม่หมัดแต่ลกักษณะอาการเป็นป่วงอย่างมากมันต้องท้องลงชั้นล่างเสร็จจะอุดแน่นมากแต่ว่าท่านี้เห็นจะเป็นเพราะว่าตอนคลั่งหลังนานแล้วที่พบกับหลวงพ่อแก่สามว่า ในเชน้ตายลักขนาดไหนต่อไปท่านก็บอกว่าเออนิดเสียดเสียดหน่อยเฮ้ยไม่เอาเดี๋ยวเขาไม่ได้สติจะบอกเพ่นิดหน่อยเนี่ยมันนิดไปอยก็ไม่เอาฐานทางไงเอาค่อยๆหมดแรงไปแล้วเลยขีดแดงพดัดจะเขียนเป็นสีแดงค่อยๆอยหมดแรง นนยัยมีสัญใหญ่เลยจะตายจะตายยังมีสัใหญ่นะเพะมันเกิอนอายุใช่ไหมเพราะว่าตอนนั้นช่วงนั้นนายเกิอนอายุถ้าหาัวเป็นตายอายุไขเราจะบังคับไม่ได้อันนี้เอามาข้าหนอกเอาทาอะไรทีหมอให้น้ำเกลือบ้างอะไรก็ว่ากันเรื่ อ, อ, เ, อเชื่อมก่อนเท่านี้หล่งขวดข้องคำเป็นไงกระฉ่างฉันหานืมความหมาย ตอนนั้นที่มีความรู้สึกตัวขึ้นมานเนี่ยนเล็จะจะตรงมันจะตัดอะไระลึกไม่ออกว่าจะตัดอะไระมันไม่มีอะไรจะตัดท่นเลยบอกมันนอนตากจะคุ้นเรื่องตัดนั้นไม่มีแล้วไ <c oughs> <c oughs> อ้เรื่อง <c oughs> ตัดนี่แล้วก็อยไหวทันลุกขึ้นมามันออกจะตัวอีกทีอย่าไหวทันทันมาทั้งแท่นอยู่ไหมใช่เอาทุงอ ง, ง, งใช่ไหม อราเข้าไปไหว้ท่านท่านอะไรห้อยเท้าลงมาท่านนี้มีดอกบัวรับสองข้างสวยมากถือว่าสวยเป็นคนนี้พิเศษที่เราเห็นมาเราจะกราบตั้งโอติคไม่จะกราบที่เท้าทำไมได้เพราะว่าเราไม่กล้าทําท่านอะไรบอกกราบรองเท้าลังเท่าก็ได้ลุกเห็นไป็นไรรึนะพอกราบที่หล่างรองเท่าสองข้างจะบอกลูกนี่ตายไปแล้วนะ นี่เกิดใหม่เอาละที่เรามาแล้วหมอเราเกิดใหม่ต้องอยู่ไปสามสิบปีแล้วเจ็บที่ไม่เป็นเรื่องไม่บอกเป็นเรื่องแล้วก็บอกไม่เป็นเรื่องผมบอกก่อนไอ้เรื่องเป็นเรื่องแล้วไม่เป็นเรื่องกับท่านฉันต้องการที่ยังแค่เรื่องอเอานี้ก็แล้วถ้าทัานห้ามันดีอยู่ถ้ายังใช้งานกันได้ สามสิบปีเดือดเท่าไหร่ก็ไม่มีความหมายและถ้าประโยชน์ข้างหน้ามันมากเห็นไหมถ้าประโยชน์ข้างหน้ามันมากเรพร้อมที่จะทําก็ได้ถามว่าประโยชน์ข้างหน้ามันจะมีอะไรบ้างที่ อ, อยู่ต่อไปเพราะเวลานี้ประเทศชาติอยู่ในขั้นไม่ดมีเวลานี้ประเทศชาติอยู่ในขั้นไม่ดีแล้วก็สภาวะของพระก็ดีคนก็ดีเป็นเดืดีกันมาก เวลานี้พระในประเทศไทยเป็นเดตถีเกินเก้าสิบ์ซนถ้าเดลถีโดยจริยาก็ไม่เป็นไรแถมเป็นเดตถีไม่ได้รับจ้างอีกด้วยมุ่งมันทำลายศา ส, สนาแห้บอกเดือนนี้พูกนี้ก็พูกแก่ใช่ไหก็เป็นอันว่าเวลานั้นจิตทำไงโวเราต้องจำจิตทำไงคือว่าเวลาเริ่มป่วยพับ ทุกคราวเือก่อนไอ้ก่อนที่จะป่วยเราฟีคิดอยู่เสมอว่าคือชื่อว่าขันห้าเนี่ยเนี่าถือวิาาสาระแขนสายใช่ไหยังยังพู้ลูกๆตั้งหมดยังเัมเอนกันเย่ามาถือไ่้ขันห้าโรหลวงพ่อโดี๋ยวิสาระแขนสารมันจะพังมันแล้วก็เชิญมันพังไป <c oughs> แต่ส่วนที่มีความสาคัญที่สุดนั่นก็คือมันไม่ใช่ทันห้าคือว่าคาสอน เรื่องปฏิบัตินี่เป็นเรื่องใหญ่เราต้องดูพระพุทธเจ้าเป็นสาคัญพระพุทธเจ้าทรงเป็นอริยะมนุษย์ท่านสามารถะดิฐานร่างกายของท่านให้อยู่ได้ทั้งกลับหนึ่งใช่ไหมแต่ว่ามันมีบาลีบทหนึ่งว่าที่ทรงจัดว่าใครที่คล่องในอิทธิบาทสี ผู้คนที่มีความคล่องในอธิบาทสี่จะสามารถอธิษฐานร่างกายให้อยู่ได้ทุกกลับหนึ่งให้กลับหนึ่งด้กันหนึ่งเนี่ยกลับประกันเหมือนกันแต่ว่าเวลานี้แะเคยใครเคยอธิฐานอยู่ทุงกลับหนึ่งก็สวยใช่ไหมบัตรเยารูปุถุเจ้าถ้าอธิฐานอยู่กลับหนึ่งไม่ได้เพราะกลับนี้เจ้าสมุพุถุเจ้าที่สิบอง แต่หาว่าถ้าอยู่กับหนึ่งนี้อีหกองบีอยู่ไหนนุณหมอต้องเกิดมาซ่อนกันแบ่งเขตดีในดีแบ่งแบ่งภาคกันตีตีติกันบานอยู่เนี่ยตุกสิบตู้สิบตีกันดหกเป็นนั้นว่าเรื่องขันห้ามมีความหมายเนี่ยพวกอายุต้องคิดไว้เสมอสิ่งที่มีความสำคัญดีสุดก็คือที่พระเจ้าทรงจัดมาวันนิพพาน ที่ตักระเพาะ อ, อนุอ น, น, น อ, อนันทะดูกรอนุนพระธรรมวินัยถ้าตะทาคตนิพพานไปแล้วเนี่ยพระธรรมวินัยที่ท้าทาคตสอนไว้เนี่ยจะเป็นศาสดาสอนเธอเห็นไหมแล้วต้องถือพระธรรมวินัยคว่าพระเจ้านี่ไม่ไอยู่ที่ขันห้ <c oughs> าเพราะพระเจ้าจรงิจรงๆก็อยู่ที่ธรรมะใอตัวที่อ็อการบรรลุคมุมนุโคือทำสอน ถ้าแทงเกิดมาเป็นผู้จ้าเลยก็ดีไม่เปียกใชไหมไม่ต้องไปนั่งอดข้าวอดปลาทั้งหกปีไอ้แป้อดไปดีดีว่ะนี่แต่พูดถึงอารมณ์ตอนอารมณ์ตอนนั้นไม่มีอะไร ม, มันสบายจิตเป็นสุขร่างกายมันไม่ดีนะแต่ว่าใจมันเป็นสุขอีตอนที่อาญามาทำเรื่องหมอมันเจ็บจไปเดียว ไปตอนที่หมอฉีดยาอะไรเข้าไปนะเป็นตอนนั้นแหละพอมันเจ็บอยูดน่อเดียวมันเจ็บหยุดน่อยเดียวเท่านี้อันนี้ทาฟิตแล้วมันจะเป็นออะไรเงี้ยช่างมันเถอะะพอช่างมันเถอะวะไม่อยู่กับมันมันก็เลยไม่เจ็บอันนี้พอแขนโตขึ้นมาหรือไอ้ผ้าไอ้ผ้าก็ที่เาพันหน้าคงจะพันได้เห็นยังไม่รู้สึกเจ็บมันชั้นที่เนี่ยเจ็บมันไม่เจ็บมันหายเจ็บไปเพราะช่างมันเนี ไม่อะไรก็ไม่สนใจให้ใจสบายให้ใจสบายนี่คือใจวางใจนี่มันต้องวางมาเสมอโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งจุดที่มีความสำคัญที่สุดก็คืออนาปานุสติกรรมฐานอนาปานุสติกรรมฐานนี่เราคุมอยู่แต่เราคุมจะอยู่และจะคุมกับภาวนาก็ได้ในั่นจุดหนึ่ง แล้วก็จุดที่สองที่มปนจุดที่ดีที่สุดถ้าทุกขเวทนามันมาเนี่ยเราออกไปไปคุยอะไรท่านมาเยอะแยะไปหมดแต่ส่วนที่เรา จ, จับให้มั่นในก็นคือจับพระ พ, าาพุทธเจ้าอ่ายังไงเราก็ยังห่างพระเจ้าอยู่ท่านหากว่าเราจะลงในรลกท่านคงลงด้วยเห็นไหมเราเกาะขาแล้วมานี่นะเห็นไหมเอา ท่านปล่อยเราลงนกบนในกระบาะขาท่านแล้วไม่ปล่อยถ้่เราลงนกท่านก็นลงด้วยแล้วท่านจะไปสวรรค์แล้วก็ไปด้วยปณิธานแล้วก็ไปด้วยก็หมดเรื่องอ่านี้อันนี้มาแล้วมาตอนที่ท่ลุกข้นมาแล้วมันงงพักที่จริงแล้าไมถูดกันใหญ่ตันนั้นตอนนั้นไอ้ด่านกายมันเป็นไงจำเป็นใต้ใจมันสบายรู้วสิเอิดนิดนิดฮ อดข้อนา่งควาจริงมันเขจะเสียดมากไงแล้วสนามแบบนั้นเจะเสียดมากรถเสียเอิมาเน้นๆเอดมีน้นๆก็ปล่อยที่น้อยเฉยเนี่ยลอยออกไปแล้วเด็กผิวหรงพ่อซีดจนาก็ซีบไม่สีขาไม่เกี่ยวแล้วไม่อยู่ข้างนอกอ่ะใช่ก็รูปมันจันทรไม่มองหลังแค่ก็นั่งนั่งสมดุลที่เด็กก็ลอยอยู่เอาไปเธอยิงขาลงคอยขาลงกลับกลับนั่งอยู่บนนั่งนี่คือใครจะใครก็มากันเต็ม พระพุทธเจ้าสเสด็จแั่งเยอะเฮระเด็จแตงหลายองค์พรมเจ้าบัดาโยมพระศรีพมาโมทย์โยมยากในแม้เปล่งรู้สึเต็มที่เลยสว่างจ้าเต็มแล้ก็เลยเสร็จพอเพลินก็รู้สึกมันก็รู้สึกตัวยูนิดหนึ่งแล้วก็ตอนนั้นก็ไม่มีอะไรด้วยมันแคบแค่นั้นแหละต่อมาเมื่อคืนนี่คืนมันมีปฏิกิ ย, ย, ย, ยิดน ก็ลองลองนั่งดูนั่งให้เฉงคนดีมาเปิดโทรทัศน์ดูข่าวพอดูข่าวมันเริ่มไหวตัวไม่นิดหนึ่งพอ่าจบก็ไปนอนพอพอไปนอนนอึกจะมีอะไรไม่ก็นอนคนเดียวก็คงก็ไม่มีอะไรนีตอนนั้นนะ่ะเพื่อนมา พอเป็นนอนเดี๋ยวถึงท้าหมายตัวนี้ก็เป็นไปหาเสนอท่างอยู่ไปสูงอะร้อยใกล้ๆไปขับกล่าวท่านเดี๋ยวเส้นหน้าใหญ่เข้ามาสองใหม่หนุ่แดงจัดใส่เสื้อแดงแพกโคโหัวแดงใช่ไหามเฮ้ยพวกพวกนี้ใค่เป็นอะไรเมื่อืานเล็กน้อยครับเล็กๆหน่อยหน่อยไม่ไมากให่ลงอีกหน่อยนะดูมีแรง ก็เลยบอกแกช่วยเขาดินข้าวเลยดิ้ได้น้ำเกลือก็แย่ yeah. ตบลงสองเวลาไรฉะเพ้าพต้มน้อคลอนหมอ <c oughs> <c oughs> ดเรียกว่ากินมากกยายามโปรตงงีนเยอะเลยเรื <c oughs> ชาเรื่องชา้เพนี่นะราถั่วตมถั่วมจอกแจ้วก็อกมปลายข้าวต้มเลยจอกเนี่ยตอนนั้นแกกับคุณบอกก็นี่แกจะต่งตัวให้มันสวยนี่นอนไม่ได้เลยแกเ <Yeah. S 1> ป็นพพเมชีระ วิเชละาแบบเพชรเต็มตัววิเชละาแบบเพชรพกคนแต่งไม่ได้ครับพวกแค่แต่งตัวมาสวยๆแต่งแต่งตัวมาเหมือนกับผอมมันแต่งไม่ได้เพราะเวลานี่อยู่เวรน่ะเขาอยู่เวรเขาต้องแต่งตัวแบบนั้นม่าจะหานี่ยุ่งเหมือนกันถามผีเอ้ทางนี้จะได้เวลาแต่งตัวอยู่เวรไหมธรรมะธรรมแรงชาติทางหน้ากลัวแต่นายคนดีแต่เวลายามปกติ ถ้าความจริงเข้ามาใกล้พระเจ้าเนี่ยเขต้องสงแหบวบ่จนที่เนี่ยันเขาอยู่เวรเขาเดี๋ยวพวกไปเข้าไปก็หลวงพุทธก็ฟินมาบอกคุณให้คาถาที่ฉันให้ไว้เนีน่ยนับทุกเวญจนาคนอื่นได้แล้วก็สา ม, มารถจะนั ง, งทุกเวญจนาเราได้ใช่ไหมเรื่องพุนมวิมุตญาเนีงงายานะ่ย ท่า่าเรา ง, งับทุกเวทนาคนอื่นได้เราก็ต้องระ ง, งับทุกขเวท น, นาตัวเราเองได้คนจริงวันใช้เลยเนี่ยออหมอเชิญใช่คอนโชว์ เ, เออจริงๆนะคนจริงนะอางการมันต้องเครียดมากอาการมันมันไม่ควรจะมีการคล่องตัวแบบนั้นนะมันต้องเครียดมากหมอเชิญใช่ที่นี่หายไปแล้วนี่จริงๆนะใคร เอาไทายใช้ก็ได้เหมือนกันเนเมื่อคืนนี้ท่านหมวบอกว่าแล้วก็ลองว่าดเอมันลดไไม่มันมีนิดหน่อยลองลองใช้ได้ในมุบานื่อถึงพระเจ้าห้าพระองค์ใช่ไหมน้ำโมทายาเกลก็โกโก้สันโทก็โกนาคมพุทธกระสบพระสมณะโคดมศีานิยะเมตไตรเนี่ยท่านเลยมานะห้าองค์ มาถึงนั่งเป็นแถวแต่เป็นชบพนาศสีสวยจริงๆก็มาในรูปเดิมไม่ใช่มาในรูปทินิพผนานแล้วอันนี้เห็นในรูปเดิมแล้วสวยพระองค์พระยาสวยมากแต่เป็นชบพนารสีก็ทมอาการอย่างนี้พระองค์ใช้เวลาในบ้างถ้าบกว่าใช้เวลาแสดงทำมันเป็นปาฏิหาริย์ถ้าเขาไม่เริ่มใสยอยู่ ถ้าเขาไม่เรื่มใสเราก็ต้องทําให้เขาเรื่มใสการทําให้เขาเรื่มใสที่เห็นตัวเฉยๆเขาเห็นไม่ความอัศจรรย์ก็ต้องทําแบบนี้แล้วก็เมื่อก็ได้ก็คุยคุยกับท่านเองแล้วก็ทําทให้ว่าไอกรรมประเภทนี้อะไรจะหมดท่านถามว่าท่านถามว่ารู้แล้วใช่ไหมสมบัรู้ฉันถามว่ารู้ลแล้วทํามทำไม ท่านถามไม่รู้ถามทําไมก็บอกเผ่อมันยัหมดเผื่เผื่อยังหมดก่อนได้บางทีได้ไหมแตบอกไอ้เรื่องคาว่ากรรมเนี่ยมันไม่หมดหรอกถ้าขันห้ายังมีอยู่เราเสกข้องกรรมเนี่ยมันจะมากขึ้ามันจะน้อยเท่านั้นแหละเอเนื้อแท้กรรมจริงๆเนี่ยเราเขาไม่ได้ใช้มันเราก็ไม่ได้ใช้นี่มันแล้วนายใช้จะเสกข้องกรรมท่านถามว่าวิบตกไหม ก็เลมตอบเข้ามาคำวิจตกไม่เนี่ยไม่มีคำวิจตกหมายคำวิจตหมายว่าถ้าเสียท่องกรรมที่มันจะเข้ามายุ่งกับเราไรนี้วิตกอะไรมัน mm. ก็เลยถามว่าไอ้ ก, กรรมช่วงนี้มันเป็นเสียท่วงกรรมอะไรท่นบอกว่าเป็นเสียท่วงกรรมสมาธิรบ ก, ก็จะเสียงนั่นแม่ปีนเขาเสียใจละ เอ็งเดี๋ยวมากดี๋ยวฉันยอมใจตอนออนอี้ใจคงเปิดนะเป็นนั้นว่าเมื่อคุยกับท่านแล้วท่านบอกว่านี่เจนนอนเถอะ ท่านียบอกกำลังนอนเนี่ยพอท่านสั่งให้หลับท่นไม่สั่งให้นอนเฉยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่ฮ้ยเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเน้ยเฮ้ยเฮ้นเฮ้ยเฮ้มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ็บเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮเ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเเฮายเฮ้ยเเฮเฮ่เเฮยเฮ้ย้ย เรีเต็มที่เนี่ยสวยมากแค่พร้อมได้จับสันดานสีแค่ถ้าคงอยู่พอนอนนอนดีเทตัวเสร็จแล้วมันยังหัวข้ามนยู่นะแล้วก็นอนเดี๋ยวจะสั่งนอนตัวนอนแล้วให้ตัวนอนได้อีกตัวมัไปออกทั้นถามไปไหนบอกไปเที่ยวสบายล่อยนี่นอนมันนอนแล้วแต่ว่าไปก็ไปไอ้เรนบอกไปก็ไป แก็ไปดวงันที่บรรดุคมศีราอที่ตอนนั้นท่านพ่อท่านแม่ที่ไหนบ้างหมดรวมกบทั้งทั้งหมดเลยพ่อพ่อตัวแม่ตัวพ่อแม่ลูกอแม่ลูกไอ <c oughs> <c oughs> ้ลูกหลานไอ้เลนมาเต็มกันหมดเลยบรรดุคมศสระอักใหญ่ไ ป, ไปเลยพ่อที่ไปกก็นพระเจ้าก็เสด็จหมดแม่ที่พรินิพพานแล้วก็มาหมด ได้กราบกราบพ่อพ่อมันก็พูดไงกราบไปกราบกราบท่านเองบอกดีาการกตันยูปฏเวทีขคุณดีมากคุณที่มีความสุขได้ก็เพราะกระตั น, นยูมาทุกชาติเป็นอย่างนี้มาทุกชาตินี่อย่าหาฉนยกตัวเองนะท่านเอ็แล้วก็ไปกราบแม่เราก็ท่านพ่อเลยบอกคนนี้เป็นเรื่องของแม่เขาพูดเจะเป็นทาสของแม่นะ โอ้ท่านไม่ตัง้งไม่รู้เท่าไร่านพูดพร้อมๆ ก, กันเหมวอนก็บเด็กต้องสื้ออ่านแต่ไม่มีสื่อไงในคุณภาพความเป็นจริงแล้วก็ขอบคุณท่านว่าที่ท่านตั้งอุ้มท้องมาท่านต้องมีความลำบากในการท้องพวงเห็นไหมไอแม่ที่มีลูกเนี่ยมันเต็มด้วยความลำบากใช่ไหมอไอตอนแม่ยังไม่มีลูกกอยากมีลูกจะตายพอมีลูกมาแล้วยุ่งบไรลัย เลยขอบคุณท่านในฐา น, นะที่เป็นอุปการะอุ้มโชวมาตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งทิงชาติสุดท้ายฮะแล้วถ้าอย่างนัแล้วก็เลยบอกก็เลยบอกว่าทําไแมชาติสุดท้ายนี่บรรดาท่านแม่ทั้งหมดข้อทั้งหมดระยะทั้งหมดก็ยังอุ้มโชวอยู่ครูบาจารย์ทั้งหมดท่านแม่ท่านบอกว่าคําว่าลาบากพ่อลูกไม่เคยมีสนับแม่ใช่ไหมใช่หมอ แม่จะไม่มีกินช่งางมาพ้อยลูกไม่มีปกติใช่ไหมแต่เมื่อคำว่าคำว่ารู้สึกําบากสําหรับแม่ไม่เนื่องในลูกไม่มีสําหรับแม่แม่มีความต้องการอย่างเดียวให้ลูกมีความสุขดังนั้นที่ลูกผ่านท้องแม่มาแม่ต้องไปพบประม า, มานับชาติไม่ทวนไอชาตินนับไม่ทวนจริงๆก็ๆๆๆพเพราะแม่ไม่ถือว่ามีความสุขอไอแม่ถือถึงมีความทุกข์ แต่ว่าทุกชาติแม่ก็มีความสุขที่ลูกลูกไม่ดื่อแล้วก็ดื่มไม่มาก mm hmm. ก็แถมยัง ม, มีดื้อยู่ mm hmm. เห็นไหมถามท่านมาดื้อตอนไหนอีตอนที่เด็กมาดื้อนะท่านบอกว่ามีดือ้อยู่ตอนที่ห้ามไม่อยู่นั่นก็คือใครมาแกล้งบ้านไม่ได้ <c oughs>